ทรงห้ามใช้บาทไม้พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภารทวาชะการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลย ภารทวาชะฉะไนเธอจึงแสดงอิทธิปาติหารอันเป็นอุตตริมนุสธรรมแก่คนทั้งหลายเพราะเหตุแห่งบาดไม้ไม่มีค่าเล่าการที่เธอแสดงปาติหารเพราะเหตุแห่งบาดไม้ที่ไม่มีค่าเปรียบเหมือนกับมาตุคามแสดงของที่ควรปกปิดเพราะเห็นแก่เงินปลาเล็กน้อยฉะนั้น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 ทรงแสดงธรรมมีกระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นอุตริมนุสธรรมแก่ครหอัสทั้งหลายรูปใดแสดงต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงทําลายบาดใบนั้นบทให้ละเอียดแล้วใช้เป็นยาหยอดตาของภิกษุ ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้บาดไม้รูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฏ